ذ ل л и ك َ ه الله يهديه م ن يشاء وما يضل لله فما له أ َ ف َ م َ ن ْ ي ت َ ق ِ ي ب ِ و َ ج ْ ه ِ ه ِ سُوءَ العَذَابِ ْ سُوءَ العَذَابِ ْ يَوْمَ ا ل ق ِ ي َ ا م ِ وقيل للظالمين لو ق و ا م ا كنتم تكسبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا م ب ِ ل له و م ْ يضل فلا هليله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أسبحنا وبك أنصينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ ب ك ا ل م ا ت ا ل ل ه التامۃ من شر ما خلق بسم ا ل ل ه ا ل ذ ي لا يضر مع ا س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع ع ل ي م ر ض ي ت ب ا ل ل ه رب وبالاسلام د ي ن ا وبمحمد الرسولا ا ل ل ه م ا ن ي أعوذ بك من ا ل ك س ر و س و ء ا ل ك ب ر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، الله مفاتر السموات و ا ل أ ع ل م الغيب والشهادة، رب كل شيء وملك، شر ولا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر ش ي ط ا ن وشرك، وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملج وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى د ي ن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبين إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل อัลลอฮฺยุ้ยมัลวาตินซุลแลมลิขุมะลลมะมตุลลอหะบรกตุพี่น้องที่ร่วมมนสดบที่มัสยิดอันวาิสุนที่รักทั้งหลายครับอยบพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับตับเซอรอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านพ่นอลฮัมิลลพี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮุบฮานูวาลาที่อัลลอฮให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ พี็น้องครับโรคที่เรากำลังเห็นกันอยู่คือโรคระบาดไม่ใช่เพิ่งมีในสมัยเรานี่นะในสมัยนบีก็มีมาแล้วเราก็มีมาอยู่ตลอดนั่นแหละนะทนีนี้อย่ามองโรคระบาดเนี่ยเป็นแบบคนกาเฟนนบีสอน ฉะนั้นมุมินเนี่ยมองโรคระบาดเนี่ยไม่เหมือนกับคนกาเฟสมองท่านยิงอาจาย์เนี่ยพระญาณบีนะถามท่านนาบีตอนนบียังมีชีวิตอยู่ท่านยิงอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถามบอกว่าโรคระบาดนั้นคืออะไรนบีก็ตอบดูในอดีตข อ, อิมางบุคลนะีตอบบอกว่าอาซาบุ โรคระบาดนี้เป็นการลงโทษชนิดหนึ่งอยู่อาติบุไม่ยาชะาอัลลอฮจะลงโทษผู้ใ ด, ดก็ได้ผู้ที่อัลลอฮสนุระสงไม่ได้เอ่ยว่าใครประเทศไหนด้วยไม่ได้บอกแต่วลากินรอฮ์มาตุนหรืมุมินีนแต่คำว่าแต่ในนี้ยกเว้นนะ ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อโลกเท่านั้นต้องถามตัวเองเนะเพื่อศรัทธาป่ะผู้ศรัทธาต่อโลกทั่วโลกเนี่ยเขามองโรคระบาดนั้นเป็นรหกมั่นเป็นความเมตตาอ็นยังครับถึงเราจะติดตามข่าวทุกวั น, นเถอะเนี่ยคอมเคล็กซเนี่ยตายไปแล้วสามคนเพราะโรคระบาดนี่ยนะครับเนี่ยรอบรอบเนี่ยนะ สามคนแรงอยู่ในซอยว่าก้านสองคนเราคาชิอิมรันคนหนึ่งนัมวานิธนายกรีมคนสนิทกันอีกนะก็ <_ d ic> ถ้าตายเพราะโรคระบาดแล้วคนตายเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นมุมลินผลบุญเท่ากับตาชัไมันจะไปโวยว <_ d ic> ายด่าคนนั้นตำหนิก้อนี้ไม่ใช่เราต้องนึกในใจว่า นี่เป็นความตายที่ผลบุญเท่ากับตายชีวิตนบีก็สั่งตัวไว้อีกว่าถ้าโรคระบาดมันเกิดขึ้นแลเราได้ยิ น, นยถ้ามันระบาดมากกนขึ้นนี่นบีบอกว่านาะยยำกุสุฟีใบติหีให้กัดตัวอยู่ที่บ้านไม่จะเป็นจะออกถ้าออกก็ต้องแต่งเนี่ยใส่อะไรให้มันมิดชิดใส่แมส แต่นุ่นใส่ีน่สว่าใส่กี่ชั้นละ่ละด้ววิธีการใส่เน่ที่ญี่ปุ่นเขาสอนนะอย่าให้ตรงนี้มันมีช่องโหว่พยาะยามปิดให้หมดสองชั้นมีสามชั้นมีทาไมจา เ, เป็นก็อย่าไปยืนคุยกับคนใกล้ชิดกันพยายามออกห่างห่างและอย่าลืมขอดวงต่อรอดด้วยผมน่ะเตือน พอเอ่านฮะดิษเนี่ยเราอ่านทุกวันะดิษนะผมอ่านทุกวันเราจะอ่านเรื่องเรื่องโรคโควิดสิครัขออุญาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะอินนีอัลฮุบิกะมินัลบารุวัจนูนวัจูซามว่ามินยิล a s m คำนี้ละ asayyil a s m เป็นโรคที่หนักโรคที่ระบาดหนักทาให้คนตาย ไซยลอัสกอมขอในสุญูได้ั้ยได้ขอดังให้สนามได้ั้ยได้ขอตอนอตัตไหยาได้ั้ยได้ฉะนั้นต้องขอมานะครับเราเป็นพ่อบ้านต้องขอมาอย่างผมต้องขอเยอะเลขอให้หมู่บ้านเองอ่ะขอให้มัสยิดเองอ่ะขอให้เด็กคนที่ฟังตัปซตเองอ่ะ ฉนันเร้ก็ต้องใจต้องกว้างอ่ะเวาลาขอในอย่าขอให้กับครอบครัวตัวเองตัวเองอย่างเดียวใจต้องนึกถึงคนอื่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นะฉะนั้นมองโรคโควิดมองยังไงเป็นอะไรเป็นรักไหมรักมากดอว่าความเมตตาขอบคุณออลลอฮะนะครับพี่น้องวันนี้เรามาถึงอัลกุรอานสุรั um 3, 21, สอัูมาตอายาที่สามยี่สิบเอ็ดสุรที่สามสบเก้านะเมื <c> ่อ <oughs> เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านพบมาอ่านมาอ่านผ่านมาบอกว่าอะไรนะผู้ที่ลุกขึ้ น, นมาแต่หัดยุตกลางคืนเนี่ยคนมุมินเนี่ยก็ลุกขึ้นนมาแต่หัดยุดกันแล้ววันนี้เท่าที่ผมรับโทรศัพท์มานะผู้เราลุกขึ้ น, นมาแต่หัดยุดกันเยอะมากครับเราทำเลยนะแล้วก็ลุกขึ้นนมาแต่หัดยุตนัันใจนึก อ, อะไร อ่าจนนี่สำคัญมากนายกุรานเตือนเลยนะครับสอนล้วว่าตอนลุกขึ้นน้ำมาตะหัยุดธเนี่ยให้นึกฉันกลัวการลงโทษในโลกอาเครอแล้วก็ฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอ์กลัวการลงโทษในโลกอาเอรอนึกแบบนี้แหละใจไม่ลอย ถ้าเป็นนึกอย่างอื่นเนี่ยใจลอยนี่ได้จากคุรานทั้งหมดฉะนั้นเราพยายามเดินตามกุรานนะครับเดินตามบ้านคุรานให้เยอะที่สุดเท่าจะมีความสามารถจะเดินตามกุรานได้นะครับเอาวันนี้มาอายะที่ยี่สิบเอนะครับ อ, รอัลลอฮตารอนัลลอฮอนซาลาミนันสซมาอิ ف َ س َ ل َ ك َ ه ي َ ن َ ب ِ ع َ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ز َ ر ع ً ا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ ي َ ه ِ ي ج ُ فَتَرَاهُ مُسْفَرَّ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب ا ل ل ه أكبر ألم تر أن الله أنزل من السماء ِ م ا ء ف س َ ق لكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به َ ر ع َ ر ع مختلف ا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكرالألباب อัมดุลิเดพี่น้องครับอายะานี้อลัลลสอนสภาพของโลกดุนยาอ่าสภาพของโลกดุนยานี่เปรียบเสมือนอะไรนี่ชีวิตบ น, นโลกดุญญนยาไปนีน่เปรียบเสมือนอะไรอะไรเพื่อให้คนที่เป็นมุมินบอกกับนบี ม, มุฮัมมัดนะ เอาล่ะได้เปรียบเทียบโลกดุนยาใบนี้เหมือนอะไรไม่ต้องไปนั่งคิดเองทำได้เลยนะเปรียบเทียบกันอะไรเขาเรียกว่าฮาหลุ ด, ดุนยาสภาพโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอย่าลืมว่าดวงอาทิตย์ดวงจรรันทร์กลางวันกลางคืนมีมนุษย์มีสัตว์มีตม้นไม้เต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็มีน้ําฝนมีนุ่ น, ม, น, นมีนี่เนี่ยนี่สภาพดุนยา เปรียบเสมือนอะไรครตามุูยาไปนี้น ะ, ะดูดูกุรานครับอาลามตารอดูดูสับนะตารอแปลว่าเห็นอาลามแปลว่าท่านไม่ได้เห็นไม่ได้พิจารณาไม่ได้ดูท่านเนี่ยมาถึงนบีมุฮัมมัดนะเราให้ยิบรีนมาหานบีเอากุรานมาให้บอกว่ามบีเอ๋ยท่านเนี่ยไม่ได้ พิจารณาไม่ได้เห็นดอกหรือว่าอันอัลลอ์ให้แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นอันซาระได้ทรงประทานอันลลอฮ์จัดจัดให้น้ำฝนให้น้ำมันลงมาจากไหนมีนัสสามาจากชันฟ้ามาอันเป็นน้ำใครเป็นผู้บริหารจาัด ก, การ อาถามพวกเราใครบริหารจัดการอาัลลอฮ์มนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยมนุษ ย, ไ ย, ย์ไม่ต้องมาเหนื่อยมนุษย์ไปเหนื่อยอย่างอื่นไม่ต้องมาเหนื่อยในการบริหารจัดการโลกใบนี้ดวงอาทิตย์อัลลอฮ์สร้างให้ดวงจันทร์อัลลอฮ์สร้างให้ชั้นฟ้าอัลลอฮ์สร้างให้มนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อยนะครับคนอัลลอฮ์สร้างให้ เราต้องมาเหนื่อยต้นไม้เอาเราสร้างให้น้ำเราก็สร้างให้อีกแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยน้ำนะ่ะมาจากไหนอันซาดามินัสมาอีม า, อ, าอันซาดาในประวัทยอยลงมานะแบบคัมภีร์ุราานก็ลงมาจากชันฟ้าเหมือนกันมนุษย์เาต้องมาเหนื่อยเลยอะเอารถจัดให้ทั้งหมดให้มนุษย์อ่านคุณอ่านยางเดียว ไม่ต้องมาบริหารโลกใบนี้ไม่ต้องมาบริหารชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลงจั น, จนกลางวันกลางคืนไม่ต้องบริหารเองบริหารตัวเองอ่ะเดินตามคำสั่งฝึกอ่านกุอ่า น, านให้ออกดูน้ำฝนที่อัลลอฮ์ตกลง ม, มาเนีย่ยเราทำเราทำได้ป่าก็ทำไม่ได้ <c oughs> ต้องวนลาฝนจะตกมาขมีดรงอาอานะอัลลอฮุหม่าอยบัน นาฟีอันโอ้เออให้ฝนตกลงมาเป็นฝนที่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ต้องการให้ฝนนี้ตกลงมาแล้วก็บอกอัลลอฮฺวุงมาฮวาไลนะวาลาอะไรนะาลาลานะอาัลลอฮฺจะให้ฝนนี้ไปตกที่อื่นนะอย่าตกตรงนี้เขาอทั้งอาเด้ไม่ใช่ดา <c oughs> นี่มารยาแล้วก็ให้นบีมาสอนให้ขอนุ้อาว่าอย่างนี้นะถ้าต้องการฝน Allahumma sayyibannahu so a n าไม่ต้องการฝน Allahumma h a w a l a i n a h u a l a a l a i n a ี i d u าบดยาวเอาที่เข้าใจง่ายง่ก่อนมนุษย์มาต้องมาเหนื่อยครับ Allah ก็เล่าให้ฟังเมื่อให้ฝนตกลงมาเป็นน้ำแล้ว fasadaqahu sadaqah แปลว่าซึมซึมซมันซึมเข้าไปนี่ Allah เล่าให้ฟังมนุษย์มาต้องมาเหนื่อย ฉันสั่งเองให้น้ําเนี่ยมันซึมลงไปที่ไหนยานาบีพอซึอมลงไปแล้วเป็นตานา้ายานาบีแปลว่าตานา้ำฟิลอาบดีในดินน้ํามันซึมลงไปในดินกลายเป็นตานา้ำเข้าใจง่ายไหมง่ายอัลลอฮฺุติเลาห์ทีนี้นี่มุมินนะมองเรา ฝนตกลมาในีใครให้ตกอ๋อแต่คนกาเฟสเนี่ยมองว่าไงเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครบริหารไม่มีใครจัดการนี่คนกาเฟสทั้งหมดนะครับแมต่ฟาโรเองก็มองอย่างนี้แหละฝนเนี่ยเราโอ้มันตกเองไม่มีใครบริหารไม่มีใครจัดการ ถามผู้ศรัทธาตอนรอถามนบีมูซามูซาว่าไม่ใช่เอาลอประทานฝนลงมามีมากบ้างมีน้อยบ้างที่ไม่ตกก็มีเราก็ทรมานตะมงต้นไม้แห้งคนตายเยอะแยะไปหมดแล้ว ม, มาจากอัลลอ์ทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ผู้บริหารมีไหมมีครับคืออัลลอฮ์สุบฮานาบูาะต ฟ า, าะกะฮูยนาบิฟิลอรเมื่อน้ำฝนตกลงมาแล้วเนี่ยมันซึมลงไปในดินพอซึมแล้วน่กลายเป็นตาน้ำอธิบายเรื่องดินอีกในะครูอ่านอธิบายดินก็มีสองอย่างที่เก็บน้ำก็มีและที่ไม่เก็บน้ำก็มีอันนี้ นบีก็มาอธิบายต่อบรรดาอาเลมูเลมะมาอธิบายว่าวงบใจของมนุษย์เนี่ยไม่ต่างอะไรกับดินเท่าไหร่วัวใจของมนุษย์เนี่ยนะอลัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยเปรียบเสมือนน้ําฝนอัลลอฮฺบางบัดเปรียบเสมือนน้ําฝนแต่นั้นคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยบางคนก็อ่านแล้วรับอิสลามเลยบางคนด่าเลยมีไหมมี เพราะว่าใจของเขาแข็งกระด้างเดี๋ยวจะจะอ่านต่อไปอายุที่สองอต่อมากับอเอาลอนเล่าให้ฟังเมื่อน้ำซึมลงไปในดินแล้วซุมมายุคริจยบิฮิザรายุคริตแปลว่าให้ออกมาให้มีザราแปลว่าพืชให้มีต้นไม้มีพืชล้มลุกนะาราเนี่ย มีต้นไม้ลมลมลุกมันมีต้นไม้อยู่สองแบบเนะี่ยมันต้นไม้แบบใหญ่ๆนะยแกบ็บลมลุกแต่เส้นอารตรงนี้หมายถึงต้นลมลุกอ่าส่วนใหญ่แปลว่าต้นต้นไม้เป็นพืชนะครับพอฝนตกลงมาน้ำซึมลงไปในดินที่ตรงนั้นแหละจะมีพืชออกมามุคตาลิฟัน หลากหลายอัลวาโนูสีของมันหลากหลายสีเดียวสีแดงมีสีขาวมีสีเขียวมีสังเกตส่วนใหญ่มุมินสังเกตแต่คนกาเฟ่มันจะสังเกตแต่มุมินหลายคนก็มันจะสังเกตเหมือนกันพริกออกมาต้นใหม่ๆสีเขียวแล้วก็ต่อไปก็เป็นสีสีแดงอ่ะทำไมมาได้ยังไงต้องนึกนะ อลัลลอฮ์นี่เป็นความเมตตาของอลัออลลอฮ์ไม่ใช่เกิดเองครับมาต่อมาครับซุมมายาฮิยาฮิตแปลว่าเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งเนี่ยเลาเล่าจากคัมภีรกุรกานคนที่ทําให้พืชนั้นเหี่ยวแห้งนะอลัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ทําอะไรเป็นอ่ะแค่เหี่ยวนี่ก็โอ้ยแล้ว เหี่ยวทำไมนี่หนังเหี่ยวโอ้ยไปตึงไปตึงไปทำไปเตือนก็ไปเลยก็ไม่ว่าอะไรเพรตึงม า, มากๆลืมมันล้อ อ, อีกอ่ะอย่าฮี๊ยอยู่เขาว่าฮี๊ย์าไว้เหี่ยวไม่ไม่จะเหี่ยวเฉพาะผดผนรามาอย่างเดียวนะคนก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับต้นไม้เท่าไรหรอกใช่ไหมพออยู่ไปอยู่ไปเอาผมจากสีดํามาเป็นสีอะไร ติขาวใช่ไหมแล้วก็หนังก็เหียวไปยนไปโอ้ตาก็หมัวไปนี่ธรรมชาติที่เอาลอให้มาบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรถ้าวเลยนั่นอย่าไปหลงอย่าไปห ล, ลงก็ชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศอลอว่าร่างกายของเราอย่าไปหลงเยอะโอ้ร่างกายฉันแข็งแรงฉันโอ้เอ็งไม่กี่วันเองก็เหียว ต้นไม้มันก็เหี่ยวอยู่หน้าบ้านคุณนั่นแหละสเัเกตด้วยดีสินะครับซุมมายาฮีอยู่หลังจากนั้นมันก็เหี่ยวฟตาตารอหัและมุฮัมมัดมมัจะเห็นอ่าเห็นอะไรนะมุสฟารอมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมมุสฟารอนี่เล่านะกับภีกรุรอานละเอียดยิบเข้าใจง่ายด้วย มนุษย์ไม่ได้ทา ม, มนุษย์ไม่ได้ทานะครับ ม, รรมุสวรมซุมมายาจะอ่านหตอมายาจอาแปลว่าทรงธรรมนะครับหัตอมาเป็นเศษเป็นชิน้นใช่ไหมเวลามันออกเขียวแล้วก็มาแดงแล้วก็มาเหลืองแล้วก็รั่วเป็นเศษไปตามลมไปมัลมพัดกระจายไปหมดเลยนี่ดุนยาเล่าให้ฟัง อย่าไปลงดุนยาชื่อเสียอัตตัมไอยดุนยามีตัวแทนกี่อย่างห้าอย่างครับหนึ่งเงินสองชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศอภูญิงวนวะนี่ตัวแทนดุนยาทั้งหมดเลยเนี่ยอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีวนมมออันหมดอายุหลงทาไมไอ้ของที่ไม่ไมหมดอายุมีเอาให้อะไรนมาดไม่หมดอายุ อ่านกุรภีรไม่หมดอายุเนี่มันนั่งอ่านตำสืบเนี่ยศึกษาหาความรู้ไม่หมดอายุอีมานไม่หมดอายุตักรวาไม่หมดอายุให้อภัยคนไม่หมดอายุการบริจาคทรัพย์สินที่อลอนร้องให้ภาสมาไม่หมดอายุการขอดุอาไม่หมดอายุเห็นไหมการซื้อคืนร่ำไม่หมดอายุการให้อภัยกับมนุษย์ดูแลความดีกับดูแลลูกดูแลพ่อแม่ให้ดีไม่หมดอายุ ความดีเหล่านี้คุณมาเหนื่อยเรื่องนั้นมาต้องมาเหนื่อยเรื่องบริหารจัดการเรื่องชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเรือ่องตัวบนตัวเองไม่ต้องบริหารเอาน้ำรดอย่างเดียวหน้าบ้านคุณนั่นแหละ ย, ยังทำไม่รอดเลยบางทีคนลืมรดใช่ไหมตายนี่เป็นต้นอ่านอธิบายกุณอ่านเข้าใจง่ายดีครับสุมมาญาจารุโหตอมาแล้วอัลลอฮฺก็ทําให้ ตนมาเนีนะเป็นเศษเป็นชิน้นอินนาฟิลาลิกะแท้จริงในนั้นเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี่นะลาดิครอเป็นข้อไข้ครวนเป็นข้อเตือนใจเข้าใจั้ยเป็นข้อเตือนใจ ล, ลิลลัลบา แน่นอนสำหรับคนที่มีสติปัญญายัลไงคนนคิดเรื่องเรื่องนี้นะอันนี้อลัลลอสร้างมาชั่วคราวชั่วคราวชั่ควคาคนให้นเป็นคนฉลาดเป็คนเห็นไหมนั่นที่อ่านกุอานเนี่ยอลัลลอะจะพูดเรื่องอุลิลอิบราจะทตะกี้หม่ำมอ่านใช่ไอินนัลลาลีอะไรูร้มาใจอ่านกิ่บทลืมไ ป, ปละคัมแปรดีมากอ่า อินนาฟีคขลกิสซมาวาติวัลอาด์วะติลาฟิลไลลิวันนฮาร์ลาอายาติลลิอูลิลอัลบาติมามะมุนนะ น, น, น, น, น, น, น, นี่นั่นอ่ะการสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนเน่ยเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลละฮ์สำหรับคนที่มีปัญญาให้เขาได้คิดใช้ปัญญาน่ะที่เป็นต้นนะครับโลกดุนยานี่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อใคร ในฮะดีตมีอธิบายอย่างนี้อาดุลยาคุลิกตละกุมอัลลอฮ์เนี่ยสร้างดุลยามาเพื่อท่านทั้งหลายคุณไม่ต้องมาเหนื่อยอัลลอฮ์สร้างให้ว่อันตุมคุลิกตุมลิลอาคิรอนนี่นบีสอนนะครับแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรรู้ไเพื่อไปไปอยู่ในสวรรค์นในโลกอาคิรอนต้องรู้เป้าหมายด้วยต้องรู้เป้าหมายว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาน่ะเป็นสิ่ง เป็นมรรลูกที่ประเสริฐที่สุดอันดับหนึ่งเลยประเสริฐที่สุดสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างมาประมาณ1ม0่นแรายการ1ม0 0แดันรายการนะแต่ว่าของที่ประเสริฐที่สุดเด่นที่สุดประเสริฐที่สุดคือมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์สร้างมาทำไมกันะมาให้ไปอยู่ในโลกอาคิเรา ไปอยู่ในสวรรค์ของอลรรค์นั่นคือเป้าหมายเราต้องอยู่อยู่ตรงนี้เราต้องนึกเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่มาสร้างดุญญาให้มันเจริญไม่ใช่สร้างอามัณศาสนาให้มันเจริญตามใครตามท่านนบีมุฮ <c oughs> นะัมมัดสนะุลลัมเข้าใจไหมไซนาอุมัดเนี่ยเป็นคอลีฟังสิบสองปีเอาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยวันที่ท่านตายอ่ะ มีทรัพย์สินอยู่สรายการเป็นควณลฟ้าสิบสองปีบริหารโลกมุสลิมทั้งหมดนี่นะมีคนรับอิสลามเยอะมากมีสร้างมัสยิดะมาณสี่พันกว่าแห่งเขาเอาเวลามาสอนคนเอาเวลามาตับลี้งงานศาสนาของอัลลอฮ์สร้างมัสยิดสร้างมุสลานมุงนำหมายคนเข้าใจอิสลามอรอเต็มไปหมด วันที่ท่านตายเช็คทรัพย์สินมีเศรายการหนึ่งมีบ้านทําจากดินแสนดาบ่าไม่ไดโกงสักบาทหนึ่งข้อที่สองมีแส้อยู่อันหนึ่งเอาไว้ปลูกคนนาหมาดกป็นยังท่านผู้นำเรามาดูผู้นำวันนี้สิเป็นไงไปแตะเลยนะดูเองมองดูเนกออกแล้วใช่แล้วก็สามอะไรบ้างมีเสื้อมีรอยปะด้วย ไม่กินชิน้นแล้วก็มีล่อมาใช่อูดด้วยนะล่อท้วกถู ก, ถกเอาไว้ขีเยี่ยมประชาชนเซรีาการท่านยังครับตอนนี้ชีวิตสงขาวอยู่ในอยู่ในกูโบโชีวิตอยู่มีท่านนบีอับูุับาสไนนาอุมัสใช่ไหมพราคนอยู่ทั้งสองสามท่านอยู่ในสวรรค์หมดแล้ว <laughs> พอได พ่อเขาเป็นบุคคลที่ไม่ไม่หลงดุลยามีเาอ่านคุณอ่ารยานี่ก็รู้อ๋อท่านฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อมนุษย์และมนุษย์นะั้สร้างมาเพื่ออะไรเพื่อมาทําตัวให้อยู่ในโลกอาคืเราะในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อยู่ยังไงมองท่านนาบีเป็นแบบนบีเดินยังไงกินยังไงอยู่กับภรรยายังไงมีเงินท่านอบีทํำยังไงอะบีขี้เหนียวไหม มองชีวิตท่านนดีเป็นแบบสบายใจหัได้ลยเอาต่อมาครับอยายะที่เท่าไหร่นะอายะที่ย2่สิบสอพี่น้องอยังมีรีกีเพิ่มไหมให้ทาอย่างนี้หนึ่งให้ลุกขึ้นนมาตะาัหยุดเยอะๆสองรีกีนี่อนเอาไปเป็นเงินก็ได้ออยากได้เงินเยอะๆไปเลย ขอไปเลยหนึ่งต้องลุกขึ้นนมาแต่ขดยุทเยอะๆสองให้กล่าวอิสติกฟาตเยอะๆอัสตาฟิรุลลอัอสตาฟิรุลโลในคัฟีอุอาอธิบายอย่างนี้คนที่กล่าวอัสตาฟิรุลโลเนี่ยอลัลลอจะให้สีอย่างหนึ่งอลัลลจะให้ให้ฝนตกสองให้มีลูกสามให้มีเงิน ส่ให้มีสวนสวนนนสวนนี้คณดูแลนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะดูแลส่รการนี่เหนื่อยหมอดูแลอะไรนะให้ลุกขึ้นมาตะฮัดยุดใช่ไหมแล้วก็กาวอัสติสติฟาร์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์เยอะๆไปนะแปลว่าฉันขออวยโทษต่อเาเาจะให้หนึ่งฝนตกลงมาสามีลูก สมีลูกสามมีเงินพิธีกรจะเพิ่มเงินเงินจะจะมาหาท่านในบ่อยๆแล้วข้อที่สี่จะให้คุณมีสวนนู่นสวนนี่บริหารสวนน่ะไหวเรยมีเยอะไหวเลยเอลอเราแค่นำมาครบห้าเวลานี่ <c oughs> คิดให้ดีเอแล้วตอลุกขึ้นนมาทายุ่งอดีมั้ยดีเหนื่อยนะข้อที่สามทำบริจาคเยอะๆข้อที่สเนี่ ที่ผมอ่านดวงอาตอนเปิดประชุมนั่นดวงอาตอนเช้ากับอตอนเย็นเหมือนกันประมาณส9บเ้าทผมอ่านทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายะห์ที่ยีอิฟะมันัลลอฮรอลอิสลามฟะฮวะลาูรมรบบ ฟาวยลุลิ ق ก أ, أ, ا س ي ا ذِكْرِ اللَّهِ أ ُ و ل َนังสืออัลลอฮ์พวกนี้อยู่ในความม ش َ ر น ح َ اللَّهُ รَบْ ر َ ه ล ل ِ ل ْ إ ِ س ْิสล م ِ ف ้าวَ่ على نور من ربه فويل ا ل ق ا س ي ة ِ قلوبهم من ِ ك ر ِ الله أولئك في ضلال مبين الله أكبر الحمد لله อายะนีจริงจเนาะ อายะ น, นี้ต้องการสอนนบีสอนพวกเราว่าจะให้หัวใจสงบจะให้หัวใจสงบ ก, กับให้หัวใจแข็งกระด้างหัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่สงบนั้นทำยังไง จะให้หัวใจแข็งกระด้างทํำยังไงนี่สอนได้นะกับทาหัวใจให้นิ่มนวลทําหัวใจให้สงบทํำยังไงมาดูสับครับชาราห่าแปลว่าเปิเปดซอดราหูหัว อ, อกของเขาแปลว่าหัวใจของเขาแต่อัลลอฮฺพูดว่าหัว อ, อกซอดราหูหัว อ, อกแต่มองถึงข้างในอ่า ลิลอิสลามเพื่อศาสนาอิสลามผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงเปิดหัวอกของไข่ของเขาให้เข้าใจอิสลามคนที่เข้าใจอิสลามหัวใจสงบหมดเลยครับแล้วคนที่มีหัวใจแล้วอัลลอฮ์เปิดนี่มันจะเปิดเองนะใครเปิดให้อัลลอฮ์ครับ ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยเพราะอัลลอสร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอสร้างมนุษย์มาเนี่ยลงทุนเท่าไหร่มันก็มันจะลงทุนเยอะหรอกนะ <c oughs> จะนั้นใครที่อัลลอฮเปิดหวัวใจของเขาให้เข้าใจอิสลามฟาวะวาลานูรินนูตแปลว่ารัศมีหรือว่าแสงสว่างคนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่บนแสงสว่าง ใจสว่างพอใจสว่างใจสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่โกรธไม่โมโหไม่ให้อภัยกับคนไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่ตะกรบบุตรไม่คุยโตไม่ขี้เหนียวตามมาเต็มเลยพอมีรัศมีปับ๊บพอมีแสงสว่างปั๊บเนี่นะเพราะอิสลามนี่นะมิรั บ, บิหิรัศมีนี่แสงสว่างมาจากไหนครับจากพราผู้อภิบาลของเาัา คนที่รับอิสลามคนที่เข้าใจอิสลามเป็นคนแข็งมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะเราเนี่ยไม่เคยจับคุรานเลยใช่ไหมพอจับกุรานอา ย, ยาผู้เห็นอะไรเยอะเลยอ่ะอัลลอฮ์เนีุรานสอนอย่างนี้สอนอย่างงี้สอนอย่างงี้นั่นนี่พอเข้าใจอิสลามนะถามว่าใครเปิดหัวใจเราอัลลอฮ์ ที่เะเปิดกุณอ่านอา ล, อาลหาสา ร, รที่ละคมละคมเนี่ยอลัลลอฮ์เปใจแล้วนะพอเปิดใจแล้วเป็นไงครับคนนี้เนี่ยอยู่บนแสงสว่างและแสงสว่างนี่มาจากไหนมาจาก AH าาอัลลอฮ์สุบฮานะอูะตางารคนรับอิสลามคนแรกของโลกนะใครในยุคนบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีมุฮัมมัดครับรองลงมาภรยาของท่านทางหญิงก็ดีจ้ะ รองรามาคนที่สามไนาอบูบกอั AH ลลอฮนบันทึกปรวติศาสตร์บันทึกชัดเจนคนที่สี่ไนารอาลัลลอฮนคนแรกที่อัลลอเปิดใจเหรับอิสลามนาบีมุฮัมมัดกอแล้วก็บภรรยาท่านท่านอบูบกักไซนา阿ราดอัลลอฮหนุมไปนรับอิสลามพอรับับ AH. อัลลสต่อมาไนาอุมัต ย, ย, ย, ย, ยิ่งอ่านตวาัวบทไซนามอุมัดรับอิสลามโอ้โหอาุบะต์ก่อนรับอิสลามเป็นยังไงตบกว่านั้นใช่ไหมตกน้องสาวตัวเองทาไมโหดขนาดนั้นละ่ะเพราะว่าความสงบในหัวใจไม่มีครับคนพอรับอิสลามแล้วเนี่ยตกคนมีไหมไม่มีครับนอกจากคนเป็นแขกที่ไม่เคยอ่านพูด อ, อ่านเลยนะ่ะมันทําได้ทุเรื่องนั่นแหละ เอานิสัยคุณกาแฟมาใช่นะ่ะด่าคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เตะคนนั้นนิสัยกาแฟหมดเลยเอามาใช้ละไม่เคยเอาอัคราบของนบีอักราบที่ผ่านนาบีอยู่ใ น, นกุณอา่านไมเคยเอามาใช้เลยนะ่ะคือใช้ไม่เป็นอะต่อมาครับตัวลงว่าซาราฮานี่แปลว่าฟาตาฮาแปลว่าเปิดหรือว่าแผ่นะนะ เมื่อวานได้มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมเขาฟังศาสนาผ่า น, น, นเนี่ยสวรรค์นในบ้านเขาถาอยู่ที่ไหนอยู่อายุเทยาอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสี่หนูจะรัอิสลามสาเหตุจะรักอิสลา ม, มอะไรแต่เขาบอก ฉันนสนใจศาสนามานานแล้วก็มาเจออิสลามนี่แหละเพราะอ่านแล้วมันูดีมากก่อนหน้านี้ประมาณสองสองาทิตย์หนูปวดหัวมากเลยเส็จแล้วก็โอ้ a ล l ล h ท่าน a l า a มีจริงนะให้หายปวดหัวหน่อย แล้วก็โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังคุก็สอนอิสลามผ่านโทรศัพท์ผมมาตั้งชื่ออาดิชานี่งานน้คนประเภทนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ า, วาชาระฮาชาระ ฮ, ฮัลลอฮูซอดรัหูลิลอิสลามอัลลอฮ์ทรงเปิดหัวใจของเขาให้รู้จักอิสลามพอรู้จักอิสลามปั๊บเนี่ยเขาอยู่บนทาง น, นำบนแสงสวา่างเห็นไหม พออยู่ในแสงสว่างปั๊มเห็นอะไรหมดเลยเอลอลลอฮฺเคยกราบต้นกล้วยไ ม, ไม่ไม่กราบแล้วกราบต้นไม้ไม่กราบเคยขอหวยไม่ขอแล้วไม่เอาแล้วครับจันขอต่อออลลอฮฺตรงๆเปี่ยมผู้เดียวมี่แสงสว่างมายังแสงสว่างมาแล้ ว, สส ว, ลวเอาต่อมาฟาไวลุนความอะไรนะความวิบัติฟาไวลุนนในกูรานี่อยู่หลายหลายครั้งนะ ฟาไวลุลลิลมุต้าฟิฟินเจ๊ะไหมแล้วก็ฟาไวลุลลิลมุส ล, ลิเจไหมนะังไวลุนนี่แปลว่าความวิบัติความชิบหายนั่นแหละความวิบัติลิลกอเสียแข็งกระด้างกอซสียแปลว่าแข็งกระด้างอะไรแข็งครับกูรู้บุหุมหัวใจของเขาแข็งกระด้าง มิวิเคริลยจากการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺเป็นคนที่วิบัติเข้าใจยังหัวใจของมนุษย์จะเป็นใครก็ตามจะมีเงีมีเงินเท่าไหรก็ตามเบลเลเนอร์เอาไปเลยเงินของคุณทั้งหมดเลยเต็มสุราลีของคุณหมดเลยอะ่ะจะมีเงินมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีเกียรติยศเท่าไหร่เชิญตามสบาย ถ้าใจของคุณแข็งกระด้างเมื่อไรไว้ลุน้นพบกับความอะไรความวิบัติแน่นอนเพราะนี่อัลลอ์สร้างโลกมาสร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังน บ, บีมูซามาสอนใครมาสอนฟารโรห์ใช่ไหมฟารโรห์เป็นอะไรครับเป็นกษัตริย์เงินเยอะไหมเยอะแต่หัวใจของเขาเนี่ย ไม่ไรไม่นอบน้อมไม่ทอมจนเขรียกหัวใจแล้วหัวใจแข็งกระด้างแล้วหัวใจแข็งกระด้างเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์เปลี่ยนเนสัยมารู้จักอัลลอฮ์หัวใจก็จะนิ่มนวลหัวใจก็จะอ่อนโยนหัวใจก็จะให้อภัยคนสงแล้วฟาโรห์ทำอะไรบ้างสั่งฆ่าเด็กผู้ชายหมดเลยแล้วโหวร้ายขนาดไหนครับยกเว้นนมีมูซาฆ่าไม่ได้ พออัลล์ปกป้องอไว้ให้มากนบีมูซาเดียทองมูซาก็ท้องไม่โตทหารเช็คยังไงยังไงก็ไม่รู้ว่าทองเห็นไหมนี่แผนของอัลลอฮ์หมดเลยครับฟาไวลุลกอซียติกูลูบูมิิริลความวิบัติต้องเกิดขึ้นกับใครนะกับคนที่ หัวใจของเขาแข็งกระด้างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์เห็นยังครับเข้าใจง่ายไหมง่ายนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเรื่องเรื่องของเราแทา้ๆเลยนะท่านคนที่หมันนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะหัวใจกระด้างแล้วหัวกระด้างเป็นไงครับวายลุนความวิบัติสังเกต น, นะอยู่บนดุนยานี่อัลลอฮ์เลี้ยงหมดเลยหัวใจกระด้างเอาเงินไป ยิ่งกระด้างเท่าไรเอาชื่อเสียงไปเอาตำแหน่งไปเอาเมียไปกี่คนก็ได้ไม่ต้องแต่งด้วยเอาไปเลยอาจะเอารถร้อยคันเอาไปเลยสั่งามาจากเยอรมันญี่ปุ่นสั่งมาเลยดุลยาเอาไปเลยเองมีความสุขเฉพาะดุลยาพอวิญญาณมาถึงเขาหอยกับอายาอัลลอฮ์มีจริงเนี่ย อ๋อลลโลกดุนยานี่ไม่มีอะไรเลยโลกหลอกลวงอ๋อจ๊ะชันขอกลับมาใช้ชีวิตบนดุนยาใหม่มาเลยกาถามก็ออกมาจากดุนยาไม่เชอเลจะขอกลับไปทำไมฉันจะขอกลับไปทํางานาศาสนาแหละฉันจะมาพักดีก็แล้ว เพิ่มจะไปเห็นตอนไหนตอนวิญญาณออกจากร่างพับรู้ทันทีเลย ว, ว่าฉันพลาดแล้ววัยรุ่นเนี่ยความมีบัติครเหชนไหมหลมอะไรเอามาดูคนที่จนที่สุดในสมัยนบีม a h o m ดนะไท ร, รือล่าวิล่าลใช่ไหมเป็นคนผิวดําด้วยแล้วก็ถูกทรมานตอนรับอิสลามบอกให้ทิ้งอิสลามวิล่าลบอกฉันไม่ทิ้งอ่ะกันยุดอัอลลอฮ์องเดียวอ่ะ แล้วก็ต่อมานาบีให้เป็นคนอาจารย์แบบหมัดเรานี่แหละนบีขึ้นนี่ยอรอดจิบรีนพาไปเยี่ยมสวรรค์เจอสซนานบิลานเดินอยู่ข้างหน้าไงยังบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีเมียก็ไม่มีประสาทก็ไม่มีพระราชวังก็ไม่มีรถก็ไม่มีจะจดไปสวรรค์ เพาหัวใจของเขานึกถึงอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى พี่ น, อน้องทุกท่านครับว่านูรุนเขามีรมัศมีมีแสงสวา่างเขานึกถึงอัลลอฮ์นะถึงไม่มีอะไรเลยไปสวรรค์ได้ปะได้แล้วฟาโราไปได้ปะกอรุนไปได้ปะเงินก็เยอะไปไม่ได้อ้าวไปน้องคิดเอาเองหมดแล้วกันมีปัญญาไปทั้งอะไรมาคิดเรื่องนี้โอเคนะ มีฮะดีสบทหนึ่งนะครับท่านอิบนาอับอิบมัสอได้พูดว่าเราเนี่ยได้ถาม <c oughs> ได้ถามท่านนาบีว่าเวลาอัลลอ์จะเปิดใจคน <c oughs> เปิดยังไงคนที่เป็นแข่อยู่แล้วนะคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยเวลาอัลลอฮ์จะเปิดใจคนที่เป็นมุสลิมให้ให้รู้จักอัลลอ์แล้วนี่นะ บางที่ศาสนาก็ไม่ไดเรียนมีเป่านมาดไม่มีไหมที่ขาดนมาดเยอะไหมเยอะสการไม่จ่ายมีไหมมีมีซาบา ค, คนหนึ่งถามท่านในวันละรลอเปิดหัวใจคนเนี่ยทายังไงมีเครื่องหมายอะไรบ้างนาบีตอบบอกว่ามีสามอย่างหนึ่งอัลอินาบะอิลลดาลฮุลูดเขาจะกลับเนื้อกลับตัวทวําอัมมานุซโซแล้วเพื่อโลกอาคือ นั่นควรจะอลัลลอ์เปิดใจเลยข้อที่สองวัลิสตียด้าอัลเมาทุาท ก, กรบดานูรูลิฮีเขาจะเตรียมตัวที่จะกลับไปหาอูห์ยิงโรคโควิดมานี่นึกเลยนี่ดูแลอย่างดีเนะใส่มงใส่แม่สามน้องใส่นี่ถ้าฉันตายนะฉันก็ตายยังไงครับนมาฉันมีครบยงัง อันอ่านอ่านอ่นอ่นคุณอานยังบริจาคยังซิกรุลลอยยังให้อภัยคนยังเตือนลูกยังอบรมเมียได้ยังฮห้ีย่างหามีทิตต้องทําดีกับคนทั้งหมดเตรียมตัวถ้าจะตายเพราะโรคโควิดนี้เราก็ต้องเตรียมนึกไว้ก่อนเนี่ยนามัยขาดอ่านอุรอ่านสม่ําเสมอบริจาคสม่ําเสมอขอดูอานสม่ําเสมอซิกระลุลอยสม่ําเสมอ ติดต่อกับดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลพ่อแม่ให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่และให้อภัยกับคนเจ็ดแปดประการนี้พี่น้องทำเลยเพาเรียกว่าเตรียมตัวที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ข้อที่สามไม่หลงโลกดุนยาโลกดุนยามปตัวแทนที่อย่างหนึ่งเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศทันเอานะเอาแต่ไม่หลง อย่างกอรูนี่หลงใช่ไหมโอ้โหได้เงินได้ทองมาหลงแล้วเป็นไงครับไว้รลุนวิบัติอายานี้อาย่านี้นะอายาที่ยี่สิบสองเนี่ยในตบทีอธิบายบอกว่าอาลัลลอฮ์พูดต้องการอธิบายถึงอบูยฮันอบูยฮันนะใครญาตินบีลุงนบีไม่เอาศาสนาไม่เอาเอาลัลลอฮ ไม่เอาตามความรู้ที่ท่านนาบีสอนเดตะวะฮีมาเพราะไม่เอาศาสนาปั๊บเนี่ยใจกระด้างตะก่าวความความบิบัติบิบัติครับอบูละฮับก็เหมือนกันอบูยฮันก็เหมือนกันเป็นลุงนบีกันทั้งหมดเลยนะอลัลลอฮ์ยังไม่ยกเว้นเลยใช่ไหม อ, อบูตอเลบดูแลนบีมาตลอดแล้วรู้ล่วงหนะ้ามาก่อนว่าหลานตัวเองจะได้เป็นนบี ก, นะกี่ ป, ปรู้ล่วงหน้ามากี่ปีที่ทิลาบอกแล้วยี่สิบแปดปีเห็นไหมรู้ล่วงหน้าแล้วว่าหลานฉันจะได้เป็นนบีเพราะนาบีนี่จะพาไปสวรรค์หมดเลยความรู้ที่ผ่านนบีพาไปสวรรค์หมดเลยแต่ลุงในใจไม่ให้ น, นึกนึกแค่เฉพาะหลานใครมายุ่งกับหลานฉันไม่ได้เผยแพร่ไปเลยแต่ฉันไม่เอาคําพูดของฉันไม่เชื่อเห็นไหม บางคนเนี่ยรักรักนบีจังเลยนะแต่ไม่เคยปฏิบัติเอาสุนนะนบีไปใช้นะ่ะมีบ่าวมีครับจ้องจะหาว่าวันเกิดนบีวันไหนจะได้ทำโน้นทำนี้แต่สุนนะนบีไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนนะ่ะอย่างนี้อแตเอ่เล็กน้อยนะเพื่อเข้าใจง่ายๆครับเอาต่อมาฮะยาด al, ียุิ23อัลลอฮนัสซาลาะอสนะฮะดีษ كتاب متشابه م َ ا ن ي ت ق َ ع ر ُ م ِ ن ن ُ جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك َ ه ُ الله به من يشاء ومن يضل لله فما له من هدى الله أكبر ความรู้เต็มเลยฮะมดิลลาห์ Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ت ق َ ع ر و ا من جلود الذين يخشون ربهم ثم ت ل ي ن و جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذ ل ك ه و د ا ل ل ه ج ي م ي ش ا ء و م ن ي ب ل ل ل ا ف م ع ل ه م ن ه ا ح م د ل ل ه อันนี้พูดเรื่องคุรานเรื่องคุรานนะที่เราอ่านอยู่นี่แหละดูสับกับนัสจาราแปลว่า ได้ทรงประธานลงมาอันซาลานัสซลาความหมายเหมือนกันค่อยๆประทานลงมาไม่ใช่ลงมาพรวดเดียวนะฝนก็เหมาทกันทยอยมาทยอยมาทยอยลงมาทยอยลงมาคําเพร์คุรานกุมมากันทยอยลงมาต้องนึกด้วยนะตอนที่คําภีร์คุรานตประทานลงมาอัลลอฮฺเพรยท้องฟ้าใช่ไหม ไซตอนมาก่อนเคยไปเพ่นพ่านอยู่ข้างบนเพ่นพ่านได้ไหมไม่ได้แล้วอลัลลอฮ์เตรียมอะไรนะเหมือนกับดาวตกมาไล่ไซตอนที่ขึ้นไปแอบฟังยังยังให้เกียร์กับกุร์านถึงขนาดนี้เราต้องก็ต้องให้เกียร์คุร์านของอลัลลอฮ์ต้องอ่านนะครับต้องพากุรา์านติดตัวอัลคุรา์านท่องจําอัลกุรา์านเยอะๆครับ Allahu nizla la h s a n al hadis ใน Allah พูดถึงเรื่องกูอ่านนะ Allah ได้ทรงประธานอัลสันแปว่าดีที่สุดมันมีดีกับดีที่สุดใช่ไหมแต่ Allah พูดว่าดีที่สุด hadis แปลว่าคำกล่าวกิตบานคือคำพีกูรอ่าน คำคัมภีร์อัลกรุรอานคำสอนที่อยู่ลบีอัลกรุรอานแต่ละคาแต่ละคา แ, แต่ละวรรคแต่ละวรรคแต่ละอายาแต่ละอายานั้นอสันแปลว่ารดีที่สุดสบใคอัลฮัมดลนคนยุโรปรักอิสลามเพราะคำภีรกุรอานครับี่ยมุสลิมถูกดเมื่อตอน เขาเชื่อดสัตว์ทำกุลบานที่ผ่านมาแต่มีคนไม่ใช่มุสลิมพูดพูดพูดแก้ให้บอกว่าที่พวกเองเชื่อดสัตว์น่ยโรงงานฆ่าสัตว์เนี่ยวันละกี่ร้อยตัวกี่พันตัวเชื่อดแล้วก็ได้เงินหมดเลยนะี่ยมีโรงงานฆ่าสัตว์เนี่ยเอาแพะแกะวัวควายไปเชื่อดกันอยู่แล้วคุณได้เงินเท่าไหร่ แต่มุสลิมเนี่ยเชือดสัตว์ปีละครั้งเนี่ยเอาข้าวบ้านแค่กิโลสองกิโลเหลือแจกหมดเลยคุณมองอะไรไม่ออกอเลยเห็นยังครับมุสลิมทำกูนบานเอาลอได้ร้อยกิโลเอาไว้เท่าไรสามสิบเหลืออีหกสิบแจกใช่เลยไม่ใช่นบีสอนะกระปพดากาา็หักโหร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาขึ้นมาปกป้องไง ถึงไม่ปกป้องก็ไม่มีปัญหาอาลัลลอ์ดูแลอยู่แล้วนี่เล่าให้ฟังเล็กน้อยนะคะรับกลุ่ว่าคำพีคุรานนั้นเป็นถ้อยคำที่อัศจรดีที่สุดสบายใจไหมอ้าวสบายใจแล้วก็มุตชาบิฮันคุรานทั้งเล่มนี่นะมุตชาบิบแปลว่าอะไรนะ คลองจองกันอาไม่ได้ขัดแย้งกันเลยคลองจองกันฉะนั้นอาย่านี้กับอาย่านี้คลองจองกันอธิบายได้หมดเลยไม่ได้ขัดแย้งกันถ้าคนแต่งสิโอ้โหผิดกั่นผิดนี้มีคําแก้แต่คุณอ่านนี่มีคําแก้นี่อัลลอฮ์ดูแลนบีดูแลอัลลอฮ์ดูแลฉันดูแลเองนะครับ แต่ไม้ค่ายคืนกันนะครับคล้องจองกันมาซาณีมาซาณีแปลว่ากล่าวซ้ำไปซ้ำมาอ่านซ้ำไปซ้ำมาในตับสืบอธิบายอย่างนี้นะครับในสุร่าุรหฮาัดนี่นะครับสุรฟาติฮะต้องการที่จะกวาสุรฟาติฮะนะเป็นสุร่าเดียวที่คนทั้งโลกอ่านทุกวัน มาซานีแปลว่าอ่านซ้าไปซ้ามาอ่านซ้าไปซ้ำมามุสลิมทั้งโลกอ่านสุรฟะติฮะซ้ำไปซ้มาวันละกี่ครั้งเอาน a า a นมา m ุ z u h o สร akaat n สร akaat n a m a h i m สามรอ k a a t n a m า t s a สี่รก k a a t n a สองร a k a t อ่านฟติฮะปะทั้งโลกเนี่ยอัลล์พูด มาซานีอ่านซ้ำไปซ้ำ ม, มาถ้านามาสุนัดอีกละอีสบรากะอัดถึสิบสองเรากะอัดก็สิบสองสบสองเที่ยวอ่ะแต่หัดหยุดอีเทไรอ่ะอีแปดรากะอัดถึอ็ดรากระอัดนมาตุฮาอีนมาต อ, ะาอาวะบินอีหล่วันวันนึงนะทุกคนอ่านสุรอฟาติฮานะี่ยไม่รู้ว่ากี่จบนี่นะราบารักัดชีวิตสันคนที่นามาตครบห้าเวลาแล้วก็นมาสุนัต ไม่ขาดนะอัลลอฮ์อ่านฟาติฮ์ทวนไปทวนมาซ้ไปซ้มานี่ยอัลลอ์ชนกับคุณอ่านได้ยังครับคุณอ่านของที่ดีที่สุดอือัลลอฮอักบะต์วะละก็อาใจน่กับซาบะอามินัลมาซานี่เราเนี่ยได้ประทานให้แก่ท่านนบี m u h a m m นี่นะเจ็ดอายะเจ็ดอายะนะคฟาติฮ์นะ ب ิ سم الله بينا ابنه الح لل الحمد لله الحمد لله ر ب ا ل عالم ي ن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ال ا ل ض ا ل ي ن كتير บ oh <laughs> ah, hey, ิสเมลาเขาอานเสียงค่อยอัลฮัมดุลิลลาห์เสียงดังเจ็ดอายะเฮงอย่างเขาที่มุสลิมทั้งโลกเนี่ยอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอ่านของที่ดีที่สุด <laughs> ใช่หรือไม่ใช่ <laughs> แล้วคนนี่นมาคขบงายเวลาแล้วก็นมาสุนั ल, ตอิลาตะฮัจยุดอิลาติยามุลเลียอิละแล้วก็นมาดุฮาอิลา <laughs> โอ้โหอักบัดขนาดไหนครับลองตาดูสิ อัลฮัมดุลิลลาอต่อมาครับอ่านคุณอ่านเนี่ยเรไม่ได้อะไรตักสาอิรุ้ขนลุกแปลว่าลุกอยู่ลูกแปลว่าขนที่ผิวหนังลุกขนที่ผิวหนังลุกอธิบายยังไงพี่น้องคนที่อ่านคุณอ่านเข้าใจคุณอ่านจะรู้ประวัติประวัติศาสตร์ พออ่านไปอ่านไปแล้วคนที่ผิวหนังนี่มันลุกชันขึ้นมาเรื่องจริงกับไปนอนไอ้ขนลุกก็ไปดูละครไม่มีบรทกัดในชีวิตเลยเอ่ะอ๋ออักบัตอนลุกก็ อ, อ่านกออ่านกูอ่านคนที่ผิวหนังนี่ลุกชันตักสายรูปอะไรนะแต่ว่าลุกอยู่ลุดผิวหนังอล๋ออ่านกูอ่านนี่อลัลลอฮ์เล่าเองนะ สัฮาบะนาบีและบรรดานาบีละบัรดาสัฮาบะบ น, นบีทั้งหมดอ่านคูอ่านแล้วผิวหนังขนที่ผิวหนังนั่นมันลุกขันลุกพะอะไรครับอัลลอฮฺนายักชาวนอรอบบะฮุมผู้ที่กลัวพระผู้อภิบาลของเขาเห็นไหมใจต้องกลัวอัลลอฮฺด้วยพระกลัวอัลลอฮฺภาพอ่านคูอ่านเข้าใจความหมายแล้วรู้ประวัติศาสตร์รู้ที่ไปที่มาขนลุกครับ ข้อที่สองกูอา่านแลนี้นะซุมาตาลินุยุลูดูหุมตาลินแปลว่าอ่อนโยนหรือว่าอ่อนลงหรื อ, อ, นหร อ, อนิ่มลงหัวใจของเขาจะยุลูแปลว่าผิวหนังของเขาก็จะนิ่มลงเรายังไม่พออีกว่ากูลูบูุมหัวใจของเขาก็นิ่มอีกหัวใจไม่อะไรนะไม่กระด้าง หัวใจกระด้างดีปะไม่ดีหัวใจนิ่มดีฉะนั้นจะให้หัวใจนิ่มให้ขนขนที่อยู่ที่หลายหนะ้าที่ผิวหนังเนี่ยลุกอ่านอูอานครับอย่างอื่นไม่มีไม่จะดูละครสังเกตเสียงอาจารย์เนี่ยทำให้โรคโควิดเนี่ยนะเล็กลงพอเอาเสียงมิวสิกจนตรีขึ้นมาร้องดังๆนะ ไอ้โรคโควิดมันใหญ่ขึ้นนี่ที่ที่ยูโรเขาเขาพิสูจน์กันนั้นอังกฤษ เ, เขาพิสูจน์กันโอ้ใช่เลยฉะนั้นในบ้านเราต้องการจะให้มีโรคโควิดไหมทาให้ให้มีโรคโควิดอ่านอัลกุรอานเยอะๆมีเสียงอา่านในบ้านนะแล้วก็เสียงดนตรีเนะี่ยอย่าให้เข้าบ้านให้ได้ทำให้โรคโควิดอันนี้มันจเจริญงอกงามหัวใจแข็งกระด้างด้วย แม่ฮฮกไมอยู่ในคัมภี ร, รกุรอานหมดเลยฉะนั่นเตือนกันไม่เชื่อก็ตามใจไม่มีปัญหาเราไม่เดบังคับใครนะครับตรงนี้ว่าจะให้หัวใจนิ่มนวลอ่ อ, อนโยนทําไงครับอ่านกุรอานจะให้ขนผิวหนังลุกชันทําไงครับอ่านอ่านกุรอานศึกษาหาความรู้จากกุรอานอีแลฮิคริลละอ่านกุรอานแล้วนึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆต่อมาครับザลิกะฮุดัลลอฮ นี่แหละนั่นแหละคือทางนำของอัลลอ์แล้วคนที่ขนลุกชันหัวใจนิ่มนวลอ่ อ, อนโยนร้องให้นึกถึงอัลลอ์นี่แหละเขาได้รับทางนำจากอัลลอ์แล้วและทางนำนี้อัลลอ์ให้กับผู้ที่อัลลอ์ไม่แย่ช้าผู้ที่อัลลอ์สมก็สม ไ, ไมไม่ใช่พันคนเรา คนลูกทั้งพันคนไม่ใช่มันจะมีมาคนสองคนอยู่ที่ตัวเราอะแล้วต้องนึกทำไมเราเนี่ยไม่เคยร้องไห้พออ่านกลุ่มมาเลยใจมันทำด้วยอะไรนะต้องนึกอะแต่พ่ร้องให้เมียพูดไปถูกจมึงโอ้โหตัวสันดีคนลูกอะไรต้องนึกนะเอาต่อมาครับ ว่าไม่อ ย, ยู่บนลิลล์ผู้ใดที่อัลลอฮ์ที่ปล่อยให้เขาหลงทางหรือเราหนนี่จะอยู่ปะเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่เนี่ยยิ่งหลมทางยิ่งราหนเนี่ยอัลลอฮ์ปล่อยนะเพราะเราปล่อยตัวเองก่อนใช่ไหมพอปล่อยเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ชี้ทางน้าให้ยิ่งไม่ชี้ทางน้าอัลลอฮ์ให้อร่อยอ่ะกินเหล้าก็ได้ด่าใครก็ได้เตะใครก็ได้แบบไซน์นาอุมานก่อนรับอิสลามใช่ไหม หาเงินหาทองเต็มเลยด่าพ่อก็แบ่ด่าแม่ก็เองก็ได้ด้วยเพราะอิสลามมีในใจนะพี่น้องครับมโหก็เกง่งผู้พยาบาลก็เกง่งที่นิ้วก็เกง่งมัดโอ้โหยัางยางเต็มที่แล้เอาไปเลยว่าไม่ ย, ยุดลิลิลล่ะผู้ใดที่อัลลอ์ปล่อยให้เขารหขาหนักาก็ทำตัวพวกเองอะฟามาลามินฮัด ไม่มีผู้ใดมาชี้นำเขาได้จะส่งคนมาร้อยคนพันคนมาเตือนมันมันก็ไม่รับเอ็งอย่ามาสอนกูกูรู้มากกว่ามึงกูจบปิญญาโทไว้เอ็งแค่จบสานวีสัสนยังไงไม่ใหญ่ๆ ๆ, ๆจ่จบด็อกเตอร์ครับก็เอาไปใันมีปัญหาเอาแพ้ไปเอาเงินไปเอาบ้านไปเอารถไปเลยตำแหน่งเอาไปหลงทางนั้นนหะ ฝาวยลุ้นนะวอุบาดหน่ายตายปั๊บเจอคดีอัยาอัลลอฮฺชาขอกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มาเรียนศาสนาอ้าไม่เชื่อลองดูสิลองปล่อยตัวดูสิแต่พอตายจะรู้สึกตัวกันหมดเลยละลัแก้วได้ไม่จะจะได้ยาจะให้เสียยังหมดหมดเวลาก่อนนะครับพี่น้องครับเวลาฟังฟังกุณอ่านเนี่ย ต้องตั้งใจฟังแล้วก็หาความรู้จากอุรานนี่แหละแล้วก็เวลาเจออายะที่เขาสั่งให้สุญูต้องสุญูดไหมอ่าสุญูดเราทำตามหมดเราสั่งหมดแล้วซาบานะบีเนี่ยเขาวางตัวนิ่มนวล น, นะไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาให้อภัยคนเยอะๆแล้วก็เวลาอ่านกุราน ถึงเระอ่านอิมามที่มกกาก้างใช่ไหมที่เราเปิดเทฟฟังอยู่น้องที่ร้องให้ตอนผมเป็นนักเรียนหนังคูอิสมาอินอาหมานสอนกูอ่านผมพราะอ่านบปก็ร้องให้เรานึกตอนเด็กๆนะเขาร้องทําไมอพอมาเจอเองอัลลอฮฺรูเลาอัลลอฮฺอัลบาตคนอ่านกู อ, อ่านแล้วคนนึกถึงมองตัวเองทําผิ ด, ะดอะไรไปเยอะ กลัวการลงช้าไม่ขนลุกท่นขออาตอเลาะให้ตักกอส่รูขนลุกคนที่ไหนคนที่ผิวหนังนี่ยมันลุกหัวใจอ่อนโยนเพราะกลัวอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนแบบนี้นะครับเพราะคุณอ่านเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ขออาตอเลาะให้พี่น้องที่ชมรายการกับพี่น้องที่ฟังตัฟซิดนะครับมีบรญากติในชีวิตเยอะๆเี่หัวใจชีวิตแล้มีลูกหลานที่ซ้อนแล้วให้ขออาตอเาะให้ سبحان الل الله م ا وبحمدك ش ا ا ل ل إله إلا أ س ت غ ف ر و ا ت و ب إليك صلى الله ع ل ى محمد وعلى آ ل ي وصحبه الحمد لله رب العالمين